สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาล น, นะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎข้อที่15ซึ่งเรียกว่าเป็นกฎแห่งการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเราอยู่ในประเด็นที่3ครับของกฎข้อนี้เกี่ยวข้องกับท่าทีของการสแสวงหาการสแสวงหาชีวิตที่เติบโตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งพอจะนะของพระเจ้า ในพระธรรม2เปบโตบทที่1ข้อที่3ในถึงข้อ11เมื่อวานผมได้อ่านไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่ข้อที่3จนถึงข้อที่11อยดจะขอทบทวนย่อๆนะครับเพื่อที่พี่น้องจะได้เห็นฟลอร์ของความคิดนะครับติดตามการดำเนินไปของความคิดของท่านาศาสตราจารย์ดรฟลิปเทง ซึ่งท่านได้ศึกษาพระจนะของพระเจ้าอย่างลึกซึ้งและนำมาแบ่งปันพี่น้องครับในการสแสวงหาการเติบโตขึ้นเราจะได้รับฤทธิ์เดชเมื่อเราสแสวงหาโดยมีเป้าหมาย4ประการก็คือเราจะต้องสแสวงหาชีวิตที่ครบบริบูรณ์และมีธรรมะหรือมีความชอบธรรมอย่างอุดมสมบูรณ์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าได้เตรียมไว้เมื่อพระเจ้าให้เราสแสวงหาพระเจ้าเตรียมฤทธิ์เดช พระเจ้าเตรียมพ ล, ลังให้กับเราประการที่2ครับเราจะต้องแสวงหาให้เราเข้าสู่พระสิริของพระเจ้าและความรํำเลิดของพระองค์พระเจ้าเรียกเรานะครับให้เรามารับพระสิริของพระองค์ดังนั้นเองเราต้องแสวงหาเราต้องเข้ามาเพื่อที่จะรับพระสิริและความรําเลิดของพระองค์ทีนี้เมื่อเราได้สิ่งนี้ครับฤทธิดเดชเกิดขึ้นครับเมื่อเราตั้งใจพยายามที่จะแสวงหาสิ่งนี้ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของเราประการที่2นะครับก็คือต้องแสวงหาพระสิริและล้าความล้าเลิศฤทธิเดชพลังจะเกิดขึ้นประการที่3ครับเราจะต้องรักษาพสัญญาอันประเสริฐเพราะว่าพระเจ้านั้นได้ทรงประทานพัะสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งให้กับเราเราจะต้องแสวงหานะครับที่จะดําเนินชีวิตอยู่ในพันธสัญญานี้กําลังฤทธิเดชพลังจะเกิดขึ้น ประการที่4ี่ครับเป้าหมายของการแสวงของเราก็คือว่าเราจะต้องแสวงหาการพ้นจากความเสื่อมทรามที่มีอยู่ในโลกนี้พ้นจากตัณหาพ้นจากกิเลสราคาต่างๆเพื่อที่จะเข้าส่วนในพลักษณะของพระเจ้ามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์มีชีวิตที่เหมือนพระเยซูถ้าเราแสวงหาสิ่งเหล่านี้ครับพี่น้องพลังและนิจเดียจะเกิดขึ้น และเมื่อวานนี้เองครับก็ได้พูดถึงเรื่องของฤทธิ์เดชหรือพลังที่พระเจ้าจะเตรียมไว้ให้ขณะที่เราสแสวงหาอยู่เมื่อเราอุตสาหนะครับพระเจ้าจะเพิ่มเติมพี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้บอกแล้วครับอธิบายชัดเจนว่าคำว่าเพิ่มเติมนะครับมีความหมายภาษาเดิมว่าจัดหาให้จัดหาให้ครับและในภาษาอังกฤษนะครับตรงกับภาษาอังกฤษที่แปลมาจากจากคาว่า c h o r นะครับ c o r u s หมายถึงเครื่องดนตรีหลายชิ้นครับร่วมกันบรรเลงทุกครั้งที่มีการเพิ่มคุณธรรมเหมือนกับการเพิ่มเครื่องดนตรีมามันก็จะเพาะขึ้นลึกซึ้งขึ้นและมีศูนทรที่ภาพมากขึ้นและชีวิตที่บรรเลงเพิ่มเติมนะครับเหมือนกับเครื่องดนตรีแต่ละชิน้นแต่ละชิ้นที่ก้าวสูงขึ้นไปจะนําเราไปสู่ชัยชนะครับเมื่อเรามีชีวิตที่ก้าวสูงขึ้นไป มีคุณลักษณะของพระเจ้าแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพิ่มพูนขึ้นชีวิตของเราก็สวยงามครับชีวิตของเราก็งดงามมากขึ้นครับเหมือนกับบทเพลงที่ไพเราะมากขึ้นที่เสนะพักกันของพระเจ้าเสนะหูของพระเจ้าทำให้พระเจ้านั้นได้โปรดปราและเพลิดเพลินพี่น้องครับในการแสวงหาด้านจิตวิ ญ, ญญาณของเราเราสามารถเบิกนะครับเบิกขอการเพิ่มกำลังและพระคุณจากพระเจ้าได้อย่างอิสระได้อย่างเสรี เราสามารถขอได้ขอการเพิ่มเติมกำลังเพิ่มเติมให้ชีวิตของเรานั้นสวยงามนั่นเป็นคำอธิษฐานของพวกเราครับในเช้าวันนี้ครับก็มาถึง <c oughs> ประเด็นที่3พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับท่าทีของการสแสวงหาการเติบโตไฟจิตวิญญาณที่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรม2องเปโตปรบทที่1ข้อที่5สั้นๆครับท่านจงอุตสาท่านจงอุตสาจนสุดกาลัง ท่านจงอุตสาจนสุดกำลังพี่น้องพูดตามผมนะครับท่านจงอุตสาจนสุดกำลัง3มครั้งครับท่านจงอุตสาจนสุดกำลั ง, ท, งท่านจงอุตสาจนสุดกำลังท่านจงอุตสาจนสุดกำลังพี่น้องครับท่านศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ฟลิปเพลงนั้นเขียนอย่างนี้ครับว่าพระมำพีภาษาจีนแปลว่าอุตสาค่ะปลคําว่าอุตสาอุตสาหะเป็นขยันขันแข็ง อดทนต่อสู้นะครับคาว่าอุตสาภาษาจีนแปลว่าขยันขันแข็งอดทนต่อสู้จึงมีความหมายสองความหมายที่อยู่ที่นี่ความหมายแรกครับก็คือการที่เราจะต้องไม่ขี้เกียจไม่ละเลยไม่เลินเลอ่อไม่จองหองพองตัวจนกลายเป็นถอยหลังไปพี่นะครับโปรดฟังนะครับ ความหมายแรกของอุตสานะครับที่แปลว่าขยันคันแข็งอดทนต่อสู้ในภาษาจีนนั้นทำให้เราเห็นถึงสองแนวทางแนวทางแรกคือเราจะต้องอุตสาแปลว่าไม่ขี้เกียจไม่ละเลยไม่เลื่เลอไม่ประมาทไม่จองหองจนกลายเป็นถอยหลังไปพระคัมภีร์ฮีบรูครับบทที่10ข้อ38เขียนว่าถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย โปรดไฟอีกครั้งครับพี่น้องถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยเราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลยนั่นแสดงว่าอะไรครับการถอยหลังเข้าคลองฝ่ายจิตวิญญาณครับถอยหลังนะครับการลงจากบันไดพระเจ้าไม่พอพระทัยครับพระเจ้าต้องการให้เราขึ้นบันไดแห่งความเชื่อขึ้นบันไดไปสู่เป้าหมายที่สูงสุด4เป้าหมายที่เราได้เรียนรู้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี้พี่น้องครับ ถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอยพระเจ้าจะไม่มีความพอใจในเขาคนนั้นเลยดังนั้นเองเราจึงต้องอุตสาหะนะครับความหมายประการที่สองของคำว่าอุตสาหะหรืออุตสาก็คือจะต้องมีเป้าหมายแน่นอนรีบลุกขึ้นไล่ล่าติดตามไปตามที่ท่านอาจารย์บโลเขียนไว้ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่3ข้อ14 จงบากบันมุ่งสู่หลักชัยจงบากบันมุ่งสู่หลักชัยพี่น้องครับนั่นคือหลักชัยก็คือเป้าหมายครับเป้าหมายที่แน่นอนชัดเจนบากบันมุ่งสู่หมายความว่าจะต้องมีทิศทางนะครับทิศทางที่ถูกต้องนะครับมุ่งสู่หมายความว่าทิศทางเราต้องถูกต้องครับอย่าวิ่งผิดทิศนะครับอย่าบากบันผิดคิดนะครับและคําว่าบากบันนั้นก็แปลว่าอุตสาหะ คือไล่ล่าติดตามไปติดตามไปนะครับอย่างกระชั้นชิดเลยทีเดียวนั่นคือท่าทีครับของการสแสวงหาพี่น้องครับการที่เราสแสวงหาฝ่ายจิตวิญญาณแสวงหาความเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นเป็นสิ่งที่ชอบแล้วในสายพระเนตรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าจะให้กําลังเราครับเมื่อเรามีท่าที แห่งการสแสวงหาเราจะพบกับพลังและฤทธิดเดชพระเจ้าจะช่วยเราชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดพี่น้องครับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเห็นได้ชัดนั้นมันจะค่อยๆเปลี่ยนครับมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนวันนี้คืนนี้กลายเป็นวันพรุ่งนี้กลายเป็นคนอีกคนหนึ่งนะครับอาจจะมีบ้างครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นเราต้องสะสมเราต้องเติบโต นะครับเราไม่ใช่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายจิตวิญญาณได้ภายในคืนเดียวเป็นไปไม่ได้ครับเราจะต้องค่อยๆเติบโตนะครับเปลี่ยนจากอาหารอ่อนอาหารเหลวเป็นอาหารแข็งเปลี่ยนจากอาหารที่เป็นน้ำนมนะครับกลายเป็นอาหารแข็งฝ่ายจิตวิญญาณของเราพี่น้องครับเมื่อมีอาหารแข็งนะครับเวลาที่เรามีการเจอกับอุปสรรคต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นการออกกาลัง นะครับผมเองนะครับจะต้องเดินขึ้นบันไดหลายชั้นถ้าบันไดเป็นอุปสรรคเราก็จะถือว่าเป็นอุปสรรคอยู่ร่ำไปครับแต่ถ้าเราถือว่าบันไดนั้นเป็นเหมือนกับเครื่องออกกำลังกายของเราเราก็จะมีความรู้สึกอุตสาหะบักบันและเราก็จะถือว่าบันไดที่เราต้องก้าวนะครับขึ้นลงนะครับหลายหลายชั้นนี่นะครับก็จะกลายเป็นเครื่องออกกาลังกายของเรา ที่เราไม่ต้องจ่ายสตังเลยแม้แต่น้อยพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้ท่าทีในการแสวงหาของเราถูกต้องครับคืออุกอุดสาหะมุ่งมั่นบักบันที่จะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณอาเมน